ชื่อวัฒนาค่ะวัฒนาปฏิบัติมาหลายวันแล้วเนี่ยในแต่ละวันสามารถแก้ไขอารมของตัวเองได้ดีทุกวันหรือหรือบางวันโดยเฉพาะเอาวันนี้นะเป็นยังไงบ้างเกี่ถึงวันนี้แล้วอารมณ์แปลปวนเปลี่ยนแปลงแก้ไขอะไรได้บ้างหรือว่ามันได้อารมทุกวันหรือไม่ได้อารมณ์ทั้งวันเลยเป็นยังไงบ้างอารมณรู้สึกว่าได้อารมณ์ทุกวันนะคะแล้วกวันนี้แก้ได้แก้ได้เรื่องที่ เคยๆ เ, เล่าไว้หลวงพ่อฟังว่ามีมีเรื่องหนึ่งที่รู้ว่าตัวเองเป็นคนคิดจําจากแล้วมันกลับมาบ่อยๆต้องสำเรื่องแล้วก็หลวงพ่อบอกว่าให้มองมันเป็นเรื่องเล็กๆไม่สําคัญแล้วก็ให้ดูกับปัจจุบันขณะก็ลงไปตั้งแต่เมื่อวานแล้ว่ะแล้วก็วันนี้ก็ดีรู้สึกตื่นตั้งกตีสองแล้วก็เริ่มปฏิบัติมาเลยแล้วก็รู้สึกไม่ง่วงค่ะแล้วก็ตรงง่วงก็ไม่มาละแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกว่าเอา เพราะว่าเราตื่นอันนี้เป็นครั้งแรกของการมาเข้าห้องของเราใช่ไหมคะก็เลยพยายามเอออินทร์ซีเราคงอ่อนเราก็เลยเรามีศรัทธาแล้วล่ะแล้วเราก็เอาศรัทธาความเพียรเป็นที่ตั้งก็เลยรู้สึกว่ามันมันดีค่ะแล้วก็ได้สัมผัสไปถึง ท, ท, ที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราอ่านและเราคิดว่าโอเรื่องสัมมาทิฏฐิเราสัมมาส ม, มาธิเนี่ยเป็นเรื่องสูงส่งมากเราคงไปไม่ถึงเราคงทําไม่ได้เราไม่เคย เวลาอ่านมักแปนะมีองค์แปนะจะไม่เคยอ่านไปถึงตรงนั้นเลยรู้สึกไม่ใช่เรื่องที่ปรทุมชนอย่างเราอย่างคนขี้เกียจอย่างเราจะทําได้แต่ว่าบางช่วงเราเราได้สัมผัสทุกอย่างเหมือนเหมือนตอนเช้าหลวงพ่อให้มีนีเล็เซนส์ให้ตอนให้ให้บทเรียนไปให้การบ้านแล้วก็ไปทําแล้วก็จะเห็นแล้วก็จะรู้จัก ตัวเองมากขึ้นแล้วเรารู้อ่อเราติดเราเป็นความแบบนี้เองเนาะอะไรอย่างนี้เองรู้สึกวก็มันมันมันสนุกมันสนุกกับการตามดูตามแก้แล้วก็มัน alert มัน a w a ว e ตรงเนี้ยที่รู้สึกรู้สึกมันเอาหัแล้วเราเราสึกมันมันปิติตรงตรงตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้ก็เลยบอกว่าทําเป็นปฏิบัติบูชาให้หลวงหลวงพ่อเทียนเลยอก็ก็ก็โอเคที่เขเรียกว่ามี อุบายก็ต้องตัวเองนะใช่ใแล้วก็สนุกกับการหาอุบายมาอย่างเช่น ชสองสอวันแรกๆกับตัวม่วงอะไรเงี้ยตอนนี้เราก็มีอุบายเยอะแล้วก็เราเริ่มเราเริ่มเห็นหน้าตา ม, มาันละมันจะมายังไงมันจะไปอย่างไงแล้วเริ่มเริ่มแล้ค่ะแล้วก็รู้สึกดีแล้วก็ตก่อนนี้จะกลัวห้องนอนมากจะไม่เข้าไปทําตรงนั้นกลัวตีนอนแต่วันนี้ทำตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีสองมาก้เออรู้สึกว่าดีเพราะว่ามันเป็นผนังสีขาวค่ะรู้สึกกับว่ารู้สึกว่าดีและสามารถอยู่ได้นา น, านๆแล้วก็เริ่มท้าทายตัวเองเวลากินข้าวแล้วก็ ธรรมดาจะเดินก่อนจะไม่นั่งเพราะกลังวง่วงนั่งเลยก็ก็สนุกดีอ่ฮะก็เลยสนุกไ ม, ม่ไม่นันเห็นไได้อุบายละคือตรงนี้ามาฟังแล้วชื่นใจเพราะอะไรเพราะว่าเห็นปัญหาเป็นสิ่งที่ น่าศึกษาและน่าทดสอบกละท้าทายปัญหาไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลยใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องเวทนาก็เห็นก็เห็นก็เห็นแต่ว่าดูเฉยๆเรื่องทั้งทั้งทุกขเวทนาสุขเวทนาก็มีบาช่วงสุขบางช่วงเฉยๆแต่ออกติดหลังๆนี่จะเฉยๆค่ะแล้วก็ดี ก็สนุกกับการแก้ปัญหาสนุกกับการมันก็เลยไม่ง่วงเลยไหมงงทั้งท่านที่วันนี้ตื่นทั้งตีนี้สองไม่ง่วงเลยไม่จะทั้งง่วงทั้งเมื่อยทั้งเพลียทั้งขี้เกียจ ก็รู้แไม่เกิดเลยนะไม่ไม่ไม่เกิดเลยงงงงตัวเองกันว่าธรรมดาเป็นคนขี้เกียจมากถ้าอยู่ที่บ้านนะคะง่วงนอนเลิกทําเลยอืเวลาทําส่วนใหญ่จะดูดูลงหายใจพอรู้สึกง่วงนอนมันง่วงนั้วพอแล้วก็จะหยุดแล้วก็เคยมีคนถักว่าทําไมเวลาภาวนาไปเนีง่วงนอนทํายังไงก็ง่วงนอนก็นอนเขาก็ว่าเอาไงคะเธอเราก็เราก็ไม่คิดไม่ถึงว่าถ้า เรายังไม่เคยพอนะอะไรที่เราไม่ง่วงนอนค่ะเพิ่งๆมาเจอเนี้ยค่ะที่ที่ไม่ง่วงนอนที่นี่ม 8, ักแปดก็จะ พอจะพอจะนึกภาพบอกแล้วนะมันคืออะไรอ๋อใช่ค่ะรู้สึกขอบก้าวขอบพระคุณหลวงพ่อเพราะว่าจริงๆแล้วมันจริงชอบอ่านมักแต่แต่ไม่ไม่ไม่เข้าใจบางบางอันมันคิดว่ามันทําไม่ได้บางคิดว่ามันมันเป็นเรื่องที่เราทําไม่ถึงอ่ะอืะแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าดูแล้วเป็นเรื่องง่ายมากเลยใช่ใช่รู้สึกแล้วอยากทํารู้สึกว่าคือคือตอนนี้สนใจเรื่องเรื่องอริยสัจสีเรื่องเรื่องมักแต่มากแต่ว่าติดกับปัญหาเทคนิคปัญหา ทางธรรมะที่เําไม่เข้าใจแต่พอหลวงพ่อช่วยไถ่คะก็เลยโรู้สึกเกิดน้อเข้ามาใส่ตัวค่ะรู้สึกเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้รึกแลบซับซ้อนอย่างที่เราอ่านเป็นภาษาเฉ่นกอนมูธนานะท่านต่อไปท่านต่อไปมายถึงหญิงคนหนึ่งท้ายนั่ฉันตอไป ในชืจริงว่าไงนะนโลบนค่ะนะณโลบนนณโลบนเนาะก็ปฏิบัติคร <c oughs> าวที่แล้วนะคืออันนี้เลยมาปฏิบัติร่วมแต่มีความตั้งใจสูงทีเดียวนะมาปฏิบัติร่วมแล้วก็พยายามสนใจศึกษาอแต่ว่าได้มองเห็นเช่นช้าหลวงพ่อพูดถึงว่าวันนี้เราไปดูอะไรนะผมแต่ละคนไปดูอะไรนะ ดืออะไรของแต่ละคนจุดอ่อนจุดอ่อนจุด้อหรือจุดจุดอ่อนของตัวเองเี่ยเจอหรือยังเจอแล้วแล้วในช่วงที่ภาวนามานนี้สามสี่วันห้าวันวันนี้เป็นไงบ้างแกไขอารมณ์ของตัวเองได้ดีทุกวันไหมก็มันจะคล้ายกันเหมือนกันนะคะก็คือมีอารมณ์เข้ามาคิดบ้าง หลงบ้างก็กลับมาอยู่ที่ความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอไอ้ตัวง่วงนี่ตัวฟุ้งสองสองวันแรกนี่มันจะเยอะแต่พอมา3าสี่วันหลังก็สู้กับมันเดินเนี่ยนะคะง่วงไม่มียีธนาไม่เกิดมันก็แปลกนะแต่ท่านั่งทีไรเนี่ยเอาแลวมาแล้ะมันจะแบบค่อยค่อยคืม วิธีแก้ง่วงก็โยมก็ใช้วิธีสั่นหัวแล้วมันก็หายตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะจะมาถึงเมื่อสี่วันที่ผ่านมาเมื่อวันที่สี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็สู้กับมันอยู่พักใหญ่ค่ะมันมันจะเข้ามาไวตอนหลังๆนี่เข้ามาไวมากเลยโยมก็เลยตั้งกติแล้วก็พอมันมาปั๊บ มันไวมากเลยตอนหลังมันก็เหมือนมันก็พัฒนาตัวค่ะมันมาปุ๊บเราหลับตาปุ๊บเลยค่ะแล้วยอมก็ลืมตาขึ้นปุ๊บเหมือนกันไม่รู้ว่าตอนนี้มันมันอาจจะยังไงไม่แน่ใจค่ะมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะะสลับไปสลับมาจนตอนหลังยงก็เลยเดินกว่าก็เลยใช้วิธีเดินเดินมันก็ไม่หมายถึงว่าเราก็รู้สึกตัวไปอ่นะคะ ก็มีความที่มีความฟุ้งอะไรเข้ามาแบเนี้ยค่ะก็เร อ, อ, อยู่กับความรู้สึกตัวมันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะแจะมีการนั่งเดินตลอดแล้ววันนี้ก็ตอนเช้าเข้าไปที่ห้องก็ช่วงแรกก็ฟุ้งอ่ะค่ะพอได้สักพักนึงก็เดินนั่งแล้วมันฟุ้งก็เดินเดินเดินไปเดินมามันได้ยินเสียงก็แกอกแกลกไงค่ะก็ะเลย สะดุง้งนึกว่าหลวงพ่อเดินมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลเลยนะคะแต่ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นเองแต่พอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันมันจะแบบสว่างไม่ใช่แบบว่าอย่างไรอะคะไม่ไม่ง่วงไม่อะไรเลยคือปฏิบัติไดทั้งวันเลยโล่งปร่งสบายเดินก็ไม่มีเวทนาพยายามดูเวทนาที่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีเดินไปก็รู้แต่ว่า เท้าแตะพื้นเออตรงนี้ร้อนตรงนี้เย็นอะไรเงี้ยค่ะเพราะมันจะโดนแดดบ้างไม่โดนแดดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อยู่กับพวทนาแค่ผีหลวงพ่อไปหลอกเท่า น, นั้นตืต่น <laughs> ดวง <c oughs> วันเลยดูเสียงพ่อไปแค่ผีหลอกก <laughs> <ะ>็เลยต่นั้งวันเลยไม่ม่วงไม่อะไรเดินได้พอกลางวันมาทานข้าวก็เออเราเคี้ยวข้าวอะไรเงี้ยค่ะมันก็รู้เคี้ยวรู้ อมันก็พอกลับไปปฏิบัติเนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งเดินไปเดินมาเนี่ยตามันกระพริบกระพริบเราก็เพิ่งรู้ว่าเออเราไม่เคยคิดที่จะจ้องดูมันแต่มันเกิดขึ้นเองนะค่ะกระพริบกระพริบกระพริบไปกี่ครั้งก็นับนับไปเอ่อแล้วก็เดินไปเดินมามันก็จะสัมผัสตัวนี้ได้ไปเรื่อยๆทีนี้เราก็เลยว่าเอ เราไม่ง่วงเราลองนั่งดูซิเพราะว่ามันคงไม่ง่วงแล้วมั้งก็เลยลองนั่งดูแต่ก่อนหน้าเนี้ยยมเคยสู้กับเวทนาแบบว่านั่งให้มันปวดสุดๆนะค่ะว่าใครจะชนะอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็แพ้มันทุกทีทีนี้วันเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเออไหนๆแต่ไหนๆลองนั่งดูซิสู้กับมันดูจะนั่งนานพอสมควรค่ะมันถึงจะปวดไอ ทุกเวทนาที่ขาเนี่ยมันจะปวดไปหมดเลยนะแต่กลับมาดูที่ใจเอ้ยทำไมใจเราไม่รู้สึกไม่รู้สึกแต่กายอ๋ออันนี้แหละเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนะแยกรูปแยกนามอะไรเงี้ยของเข้าใจโอ้ดีใจนั่งไปเรื่อยมันก็ไม่รู้สึกอะไรนะที่ใจนะแต่ที่กายมันรู้สึกนะเพรามันปวด เรื่อยๆความปวดมันก็คือสูงมั่งต่า ม, มั่งอะไรแล้วแต่เขาอาการเขาเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยเห็นตาเหลืองมันก็ช า, ชาชาชาชาชาแล้วมันก็ค่อยๆหายหายหายหายแล้มันก็หายไปอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยค่ะคุณไหนเข้าใจว่าการเกิดดับของรูปนามไหมเห็นการเกิดดับของรูปนามไหมของรูปก่อนก็แล้วกันการเกิดดับ ที่ว่ามันเกิดเกิดดับดัเนี่ยเข้าใจเป็นความทุกวามความเป็นไปเข้าใจสภาวะนั้นไหมเกิดกับภาวะไม่ก็ก็เห็นแล้วว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแบบนี้ค่ะ ท, ที่ที่เป็นอยู่แค่ น, นั้นเองค่ะแะอะไรเกิดขึ้นได้อยู่ดับไปอาการค่ะอาการอาการของลูกด้วของน้ำอาการของวลูกค่ะได้แก่เวทนาเวทนาอ่า เห็นมันชัดไหมเห็นมันชัดค่ะจริงๆตวเนี้ยที่มาถามย้ำก็คือว่าเบื้องเบื้องแรกๆเนี่ยให้ฝึกดูการเกิดเกิน ด, ดับของรูปให้เป็นเชอก่อนเพรมันเห็นง่ายๆที่ถามต่อไปว่าการเกิดดับของรูปได้แก่อะไรถึงแม้ว่าจะเป็นการเกิดดับแบบสมมตุติแต่ก็ควรให้รู้จกักเพราะว่ามันเป็นส่วนที่ง่ายๆถ้าหาว่าเราเห็นในส่วนนี้ดูส่วนนี้เป็นนะ ต่อไปมันก็จะเป็นสาเหตุให้เห็นการเกิดดับของของนามได้ค่ะฉะนั้นการเกิดดับของรูปก็คือง่ายๆอย่างนี้สมมติเราปวดเนี่ยของปวดมันเกิดแล้วใช่ไหมแต่ก็ในตัวของมันมีการเกิดดับกระดับสูงมากเราไปดูไม่ได้เราของเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ว่าเรามาดูการเกิดดับที่มันเป็นเขาเรียกเป็นผลนะะค่ะที่มันเกิดดับสูงมากแบบผลออกมาตรงนั้นเรานั่งตรงเนี้ยมันก็คือ ความเจ็บปวดมันเกิดละแต่พอเราเราพลิกไปปั๊บเนี่ยความเจ็บปวดนั้นเองไง ไ, ไอาการให้หายไปเราเรว่มันดับเนี่ยภาษามันเมื่อความปวดเกิดขึ้นเราเรียกว่ามันเกิดละพอเราเปลี่ยนปั๊บมันก็ดับแล้วแต่ในความเกิดดับที่หยากบๆ เ, เนี่ยมันมีความเกิดดับที่เป็นภาวะธรรมชาตินี่อยู่ฝังอยู่ในนั้นน่ะ ระดับเซลล์นะเซีลวแต่ละตัวนั้นมันเกิดมันตายมันเกิดมันตายันเกิดมันตายมันเกิดมันดับตลอดเวลามันถึงภาวะมันทรงอยู่ได้เพราะรู้อย่างเปลี่ยนแปลงแตกดับตลอดเวลาแต่เราไม่เห็นมันแต่เราฝึกดูการเกิดดับในส่วนที่เป็นกลุ่มก้อนที่เป็นอาการหลักๆเอาไว้ก่อนเพื่อที่สาวไปหาการเกิดดับที่ละเอียดลงไปนะ ต่อไปถ้าหากเราเห็นการเกิดการดับของความเจ็บปวดชั้นหยาบๆต่อไปก็ฝึกดูการเกิดการดับอาการปวดชั้นกลางกลางต่อไปก็ฝึกดูการเกิดการดับของความเจ็บปวดชั้นละเอยียดลงไปเรื่อยๆ แล้ววันหนึ่งมันก็จะเจาะเข้าไปถึงการเกิดับในส่วนที่ละเอียดลึกลึกลงไป<ะ>อันนี้เป็นสิ่งที่น่าศึกษาแต่ว่าถ้ามองข้ามสิ่งเรานี้ไปหมดเพราะว่าความแยบคายเราไม่พอ<ะ>เพราะฉะนั้นผมนก็ต้องย้ําตรงนี้บ่อยๆว่าให้ให้นักปฏิบัติแต่ละคนให้สนใจการเกิดับระดับนี้ด้วยก่อนเรียนรู้ถึงแม้จะเป็นการเกดับระดับหยาบๆสมมุติเลยน ะ, ะแต่มันจะต้องมีตัวทุ ก, กตาให้ศึกษา ถ้มันมีตัวรู้กฏะให้ศึกษานะเลยจะสาวไปหาตัวแท้มาได้ไง <c oughs> ใช่ไหมมันไม่ได้สร้างบานสักหลังเพ็่ะสร้างเป็นโมเดลขึ้นมาก่อนสร้างเป็นพิมพ์เขียวขึ้นมาก่อนแล้วตัวเขาเวทนาตัวนี้เป็นพิมพ์เขียวของมันละทําการเกิดนะนะนะกดับนะะแล้วก็เรื่อว่าเวทนาต่างๆ ก, ก็ตามทันอยู่จะส่วนจะช้าจะเร็วอันี้พอจะบอกได้ไหมีพอทุกทุกครั้งที่มันเกิดทันทุกครั้งหรือเปล่าหรือบางครั้ง ทุกเว ท, ทนาต่างๆตลอดเวลาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นน่ะนรคะอ๋อคือยมจะรู้แต่ว่ามันควบไม่ได้อ่ะในความว่าเวลามันเกิดตั้งใจตู้กับมันนะคะให้มันหายไปเลยเนี้ยแต่ว่า<ม>ย <ม S 2> ัง ไ, ไม่เข้าเจอยมไม่เข้าใจประเด็นที่มาถาม ว่าเวทนาที่เกิดตลอดเวลาทั้งหยาบกลางละเอียดเนี่ย<ะ>รู้ท้าทันมันทุกครั้งไหมที่มันเกิดไม่ทุกครั้งค่ ะ, ะไม่ทุกครั้งหมายก็ว่าชั่วโมงหนึ่งรู้ครั้งหนึ่งอย่างนั้นหรื่าห ม, หมายความว่าบางครั้งก็ถ้ามันเป็นเวทนาที่แบบว่าไม่มากก็จะไม่รู้ไคะถ้าเวทนานมากก็จะร<อ>ู้อย่างนี้ค่ะ แต่ว่าในส่วนเวทนาที่กลางละเอียดลงไปเราไม่ได้ตั้งใจรู้หรือไม่ได้ตั้งใจดูเลยบางทีตั้งใจดูแล้วมันปวดหัวค่ะถอยออกมาเลยรอย่ก็แสดงว่านั้นไม่ใช่ตั้งใจไม่ใช่ถูกไม่ถูกแล้วถ้าตั้งใจดูแบบถูกล้วมันจะไม่ปวดหัวหคุณสังเกตเพราะสังเกตก็ดูรว ม, มอะ่ะ<ห>ไม่ใช่เพ่งที่อยู่นั้นก็ปวดหัวแน่เพราะวไปดูของที่มันไม่ตัวนะมันก็ไม่เห็นดค<ห>แต่สังเกตเท่นั้นเอง เงินส<ถ>มมติว่าเราสังเกตวาตอนลมหรือไม่ลมเนี่ยเราสังเกตดูตัวลมเห็นไหมเราไปดูอะไรว่าู้เราไปรู้ได้ไงว่าลมพัดเร็รู้ได้ไงว่าลมพัดทั้งที่มองมาเห็นตัวลมครันะอรารู้อาการของมันคมันไปไม่ไหวเหอาการเย็นที่ตัวใช่ไหมตัวเรารู้ว่ามีลมพัดที่ได้จงมองเห็นตัวลมเนี่ยมองเท่าไหร่หัวระเบิดมันก็ไม่เห็นนะแต่รู้ว่ามีลมพัดเพราะมันมีอาการค เหมือนกันการที่เรารู้ว่ามันมีการเกิดดับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีอาการใช่ไหม<ะ>อ่าอันนี้เราไปศึกษาดู<ะ>ต่อไปส่งมาข้างหน้าเลยส่งมาข้างหน้าตามลำดับ<ะ>เลก ก็แรกเก็บอารมอยู่ในห้องก็รู้สึกว่าออกมา น, นั่งนอกห้อ ง, งสงสัว่าชอบอยู่นอกห้องมาก็เลยจัดออกมานอกห้องใช่ไหมไปจดทั่ววัด น, นะฮะนี <laughs> ่เลยว่าเป็นยังไงว่า ง, างมาเก็บอารมณอ<ย>งนี้สุดย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่แล้วนะฮะมันมันสําคัญนะฮะคือว่าคืนสุดท้ายอะฮะผมโดนโดนมังปอกกัดกัดสี่จุดสีเอ่อ คือคืนนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมเสียชีวิตที่นี่น่นะฮะนะฮะผมไม่ได้บอกใครนะฮอคือนคืนนั้นเนี่ยเอ่อไอเต็นท์ผมเนี่ยมันมันมันเป็นเต็นแบบเต็นทได้มีฐานมันมาตอนไหนไม่รู้รู้นะฮะรู้อีกทีหนึ่งเนี่ยมันอยู่ใต้รูอันท้าผมผมก็เลยเอามือเนี่ยเข้าไปคือไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรตอนแรก ก็เอามือเนี่ยไปมันก็เลยหัวแมโป้งผมก่อนผมว่ า, าแต่ก็นิ่งนะฮะก็เลยว่าต้องออกไปก็เอามือค้ายมันก็เล่นม้อชี้พอผมไม่รู้จะทำยังไงมันเจาะไอ้ตรงตรงน้องแบบอีกนิดเดียวอะ่ะผมเลยขอดึงเกงกบับะมันเลยมันลงขาหลังจากหลังจากนั้นมา เขาจับมันมันแรงกว่ามันเหมือนจะเป็นเข็มเลยฮะแล้วเราแบบก็ไอตอนที่ตลาดเก่งนั้นแหละมันหลุดออกไปแต่มันมาเอามันไวกว่าเราฮะคือเราไม่มีไฟฉายนะฮะแล้วก็เราเพิ่งแบบเรารู้สึกว่ามีตัวอะไรอยู่ตอนนั้นประมาณตีหนึ่งผมก็เลยออกมานั่งนั่งก็โต๊หินนี่นะฮะแล้วผมก็พิจารณา ว่าจะทำยังไงดีก็นึกถึงผมแผ่เมตาร่วมสิบปีนะฮะทุกวันในหนังสือก็เขียนว่าถ้าแผ่เมตาเนี่ยสับตาและยาพิษก็ทำอะไรไม่ได้ผมก็เลยใจชื้นขึ้นมาหน่อยว่าไหนๆก็โดวช่วยแล้วก็นึกนึกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าถ้ามันตายจริงๆเนี่ยก็คงไปดีเพราะว่ามาปฏิบัติแล้วเป็นกุศลนะฮะ ก็่สิบห้านาทีก็คงเข้าถึงหัวใจเนี่ยมันเข้าลุกปิงปองเลยนะฮะนิ้วโป้งอะ่ะพอผมว่าไหนๆแล้วก็รู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ปฏิบัตินั่งยกมือแล้วผ่านไปสิบห้านาทีก็ูกว่ายัางไม่ตายก็กล่าวนะฮะผมใส่กะเวลาไม่ถูกมั้งเอาเอานานๆหน่อยแล้วกันก็เดินจงกรม มืเมืดแดดเดินแล้วก็มีคนมาผมก็ไม่กล้าจยาไปคุยอยเขาเกรงใจว่าประมาณตีหนึ่งนะฮะผมก็เลยพอสักชั่วโมงหนึ่งผม่า ส, ส, สงสัยมีโอกาสรอดเยอะ <c oughs> ก็เลยเไปที่รถไปไปหาพวกยาหมองอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ยังบวมมากเลยนะฮะแล้วพอที่แบบคนเริ่มมากันแล้วผมมองไปมันยุบลงไปแบบเกือบจะปกติแล้ว ตอนนั้นแรงศรัทธาผมเกิดเลยว่าสิ่งที่ในพระคัมภีร์อย่างเงี้ยพี่เขียนไว้เรื่องเออันนี้สงของการเจริญเมตตาผมก็เลยเกิดศรัทธามากเออมันมันพอขับรถตอนออกไปนอกวัดเนี่ยมันปกติเลยก็ค่อยๆบอกบอกบอกนายแบบบอกคุณเล็กแ่บว่าเออเมื่อคืนผมโดนอย่างนี้อย่างีงนี้เพิ่งมาบอกตอนนั้นแล้วก็ ความรู้สึกผมก็คือว่าปกติผมว่าศรัทธาในภูะพุทธศาสนาอยู่แล้วอันนี้มันหมายถึงว่าเป็ น, ป น, ปนการพิสูจน์ว่าอุ้ยโอ้ยมันปกไม่ธรรมดานะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พอมาครั้งนี้ผมว่าตั้งใจว่ามาปฏิบัติให้ดีที่สุดแต่ว่าพอให้ไปเก็บอารมณ์แบบมันก็รู้สึกว่า ที่ที่เล่าให้พระอาจารย์ฟังว่ามันรู้สึกคือคจริงช่วงนี้ที่ช่วงสอบปรมหลนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นการไล่เงี้ยแชร์ประสบการณ์อะไรแบนี้อันนี้อันนี้กําลังเขาส่การสอบประหลงมาโอเคความจริงเรื่องนี้ต้จะมาแชร์กันพรุ่งนี้นะแต่ว่าโี้เราลืมประเด็นไปนิดนึงผมจะกลับตั้งแต่เช้าเลยครับเพราะว่าต้องรีบไปทำงานเมื่อวก็เมืวานพรุ่งนี้ใช่ไหมพรุ่งนี้เช้าครับโอเคงั้นคุยแชร์ได้เลยงัเพราะพรุ่งนี้กลับก่อนกลับโอเคแล้วก็ เดี๋ยวคือสองวันหลังเนี่ยผมเจอเทคนิคบางอย่างโดยที่ว่าพอดีคุยกับเพื่อนปฏิบัติธรรมบอกว่าท่าน อ, อาจารย์เนี่ยอายุมากแล้วนะผมบอกว่าก็น่าจะมากทําไมแบบไม่เคยหยุดนิ่งเลยค่องแคล่ววงวัอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าคนจเจริญเติบติดมากๆว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมเจอมาหลายองค์แล้ว อนนี้ความที่ไปพูดเล่าให้เขาฟังเนี่ยเราก็มันนด้ึกย้อนถึงหลวงพ่อทองด้วยนะฮะหลวง พ, พ่อคำเขียนหลวงพ่อคำไมอะไรอย่างเงี้ยที่ไปสัมผัสมาที่บางทีไปทางานด้วยก็มีความสุขว่าเอ๊ะสังฆสราร น, นังขจามิได้จะเอามาเล่นไม่เก็บด้งแงการเป็นอุบายผมก็เลยเมื่อเมื่อวานเนี่ยนะฮะพอคุยเสร็จแล้ว ที่อาจารย์เรียกผมไปอยู่ไอ้ตรงฝั่งไอ้ลำทานเนี่ยผมเยกเลยว่าเออผมจะเห็นว่าคนที่จเจริญสติมามากเนี่ยพาภาดน้อยแล้วก็ค่องข้ล่วไวมากถ้าเราเนี่ยเลี้ยแบบคล้ายๆทําตามเนี่ยเดินตามพระสงฆ์เนี่ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยอันนี้สงฆ์เนี้ยเราก็คงจะได้เพราะเราเคยถูกมัองอรกัดแล้วเรา เราจะเลยไม่ตาอะไรเนี่ยเราเราก็สุขดีดันั้นเลยเอาอารมณ์ตรงเนี้ยเข้าไปสู่ก็บเป็นการอาวางวางใจอ่ะในการก่อนเริ่มปฏิบัติว่าที่เราเห็นเหมือนกัเห็นความจริงก็คือเห็นอรู้ตางความเป็นจริงว่าเนี่ยร่วมสิบองค์นะที่นั่งนั่ ง, น, งนึกองค์นั้นองค์นี้อะไรอย่างเนี้ย ทุกองคล้ายๆหมดเลยคืออยู่นิ่งๆไม่เป็นเนื้อขยันแล้วก็คลองแคล่วว่องไวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันมันเหนือมนุษย์ธรรมดาอันนี้ที่สัมผัสมานะฮะแต่ถ้าคนมองผ่านๆก็ไม่รู้แต่ถ้าเราไปใกล้ชิดอย่างเงี้ยอย่างหลวงว่าทองเนี่ยบินจาเลยบางทีตุต๊กตผ๊ผมยังงงเลยเจ็สิบเพราไม่ขึ้นเครื่องบินได้อย่างแวบไปแวบมาอะไรอย่างเงี้ยนี่นะฮะอย่างอาจารย์โกสินวันนั้นไปขึ้นเขากว่าท่าน ผมก็หอบแับแย่ท่านก็ยังหัวอายุมากกว่าเราต้องสิบกว่าปีเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยในรุ่นผมผมก็มั่นใจตัวเองว่าโอ้โหก็ปิดไนงะแต่พอมาเจอแบบสติปัฏฐานนี่เราก็เลยบอกว่าโอ้โหยอมรับ อ, อด้วยความรู้สึกตรงเนี้ยผมก็เลยเอามาเป็นอุบายว่าเราจะเดินตามรอยรอยท่านก็คือสังคฆาตนาะถามนี้เนี่ยว่าเป็นที่จริง เลยตั้งใจปรากฏว่าความง่วงเลยเข้ามามันคล้ายๆแบบกระดิ่งเมื่อวานนะฮะก็อยู่ในใจคนเดียวเพราะว่ามันอาจจะเป็นลูกฟุกก็ว่าก็เลยเอาเอ า, เอาแบบว่าเอาทั้งวันเลยก็ก็โอเคไม่มีมันเอ้นิวอนเลยน้อยมากพอมาวันนี้ก็เลยตอนเช้าก็ลองดูมันตื่นเลยตั้งแต่ตีสองทำจนก่อนเพลงเน่ย ก็รู้สึกว่ามันเหมือนเมื่อวานนี้ก็มั่นใจขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งมันม่วงแต่ว่ามันมันปุ๊บเดียวแบบคล้ายๆมันมีศรัทธาวิริยะมาแรงประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ตามด้วยพวกสติสมาธิปัญญาแต่เอาสองเอาศรัทธานำเลยนะฮะว่าเนี่ยตามเอ า, เอาสัาางฆาลังขามิเนี่ยแล้วพอช่วงเพลงเราก็เลยว่า วัดดวงเลยอัดข้าวเต็มที่เลยจนทานไม่หมดอ่ะเพราะผมรู้จุดอ่อนผมว่าถ้าผมอิ่มเนี่ยเสร็จแน่นอนปรากฏว่ามันก็ง่วงจริงแต่ว่ามันก็ออกเราก็เลยเดินสรุปว่าได้ผลนะฮะแต่มันไม่ถึงขนาดร0อเปอร์เซ็นนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยอาจจะเริ่มใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ อะไรความเพียรก็ถือว่าผลเกินคาดแล้วนะในการที่เราจะมีสถานละความเพียรประเภทที่เรียกว่าแท้จริงนี่นะยากมากแต่มันจะต้องเห็นอะไรบางอย่างที่มันเป็นแรงบดาลใจใช่แต่ว่าผมก็อยากถามคำหนึ่งว่าคุณต้องตอบตรงๆว่าตอนที่ก่อนเมื่ อ, อไหร่ป่องใจเริ่องานตรงนั้นเนี่ยก่อนนอนเนะี่ยคุณคิดอะไรเป็นอะกุศลบ้างหรือ่า ให้ตรปตรงเลยใช่ไหมครับผมผมเนี่ยเชื่อมั่นว่าผมเนี่ยเป็นเอ่อตั้งแต่ก่อนมาเนี่ยผมเป็นกุศลนะฮะแล้วเอ่อผมก็ไปหาเหตุเหมือนกันว่าทําไมแมงนป่องมากไอ้นั่นผมเป็นจริติดไอ้เช่นอย่างที่คุณอาจจะลืมไปแล้วก็ได้เนาะแต่เรื่องพุทธิมันไม่ป่องมันป่องมันไม่พิสดารขนาดนั้นอันนี้มันพิสดารมากเลยเรื่องเรื่องนี้ผมก็พอจะเข้าใจนะฮะ อันนี้วันนั้นเนี่ยคือปกติอ่ะผมก่จะเอาชุดนอนไปเองเช่นผ้าห่มหมอนอะไรเนี่ยเอาผ ม, มาเองหมดนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยเป็นวันพระหรือวันอะไรเนี่ยพอผมเอไปเอามันไม่มีแล้วเพราะว่าเอาคนเย้ะก็มากันเยอะผมก็เลยไปเอาเอาของคนอื่นมาใช้อย่างเงี้ยแต่ในใจกคิด คิดฝาดิของเราหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยอื้วอออาจจะมีการหุดหิดหรืออะไรแต่แต่ที่การถามผมอ่ะอันนี้ยังไม่รู้คําตอบที่แน่ชัดว่าไปอะไรอับสนแรงถึงขนาดโดนถึงขนาดนี้แต่ผมมองย้อนไปอีกทีหนึ่งว่าหรือแบบปกติเนี้ยผมอไม่ว่าจะเป็นการสอบอารมณ์หรือการ อแสดงลักษณะคาพูดอะไรเงี้ยผมมักอยแบบไม่ใช่เหมือายอ่ะโอเคแต่ว่าหลพเข้าใจอย่างนี้เลยว่าถ้าไม่ได้คิดอกุศลและจิตอะไรเลยเนี่ยถ้าเหตุเกิดกันนี้แสดงว่าเทวดาต้องการที่จะให้กุศลอย่างแรงแต่ว่าใส่ยาแรงไปหน่อยเท่านั้นเองนะสาธุครับเพราะอะไรเพรมันเกิดหลังจากคุณโดน มันเกิดแรงสะทายใช่ไหมเกิดความมั่นใจหลายๆอย่างขึ้นมาเนี่ยมั่นใจมากไหมฮะใช่ตรงเนี้ยเทวดามาให้ยาไวจะแรงไปหน่อยนะก็ถือว่าโชคดีไปแต่ถ้าไม่เกิดแรลงป่องไอ้เกิดเหตุตรงนั้นนะไอ้สะทาตัวนี้อันยังยังไม่เกิดนะแต่สะทานี่มันเกิดทั้งเขั้นข้นนะแล้วก็พิสูจน์เมันอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งตรงขั้นพก็เห็นแรลงป่องพ่อชอบเลย เขาจะจับม <c oughs> ันเล่นพราะอะจับในทางที่มันต่อยเราไม่ได้อ่ะเออผมไม่รู้ทิศทางมันเลยฮะ้ว่าตอนแรกยังไอ้มนเป็นอะไรก็ยังไม่แน่ใจเพราะมันมืดไปหมดเลยฮะอย่างงูเนี่ยพอพ่อเห็นตองเขาก็จะจับเอาไม้ตุดก็จับที่หัวมันเลยอย่ไปจับพอนะถ้าจับพอมันเกี่ยวกันเราจับที่หัวมันเลยที่เขาจับที่หัวมันมีปัญญาที่เคี่ยวกันเราไหม นี่คนเป็นกล่องมันงอหางแบบนี้แล้วแล้วก็จับป๊อปตรงที่ปลายหางมันอ่ะเพราะเวลามันกัดเนี่ยไอตัวพิษมันอยู่ปลาหางมันเพราะฉะนั้นมันต้องกัดป๊อปแล้วมันจะวัดหางหยอดพิษมันถึงเงินแต่ถ้าหากว่าเราไปจับที่หางถึงมันหยอดพิษถึงพิษออกมามันเข้าไม่ได้เพราะมันไม่ได้กัดเพราะงั้ก็ต้องดูธรรมชาติมั่งพอเรจับที่ป๊อปเอียงทิ้งไปแต่มัาอยู่แถวนี้อันตรายเดี๋ยวคนเขาเห็นเขาเขาฆ้ามมึงตายเพราะนั้นจำทิ้งไว้ที่อื่นะ นั้นเอตัวพิษสูงของกิเลสเนี่ยมันร้ายแ ร, ยรยงกว่านั้นนะแต่เรื่องสัตว์ ร, ร้ายนี่มไม่มีปัญหาแต่ว่าเราที่คุณแพ่เมตตานั้นถูกต้องแล้วแต่ว่าคุณจริงมันต้องก่อนที่จะนอนเนี่ยถึงจะแผ่แผ่ไปอนะแต่ว่าถ้าหากเราไปนอนแเราถ้าเกิโดโดนเหตุแล้วมาแผ่เนี่ยมันก็ช้าไปหน่อยว่าไหมเถิดช้าไปต้องแพ่ก่อนนอนเอาหมายผมคือว่าผมเอ่อ ปฏิบัติมาร่วมสิบปีเนี่ยผมแผลเมตตาทุกวันอือหอผมว่าไอ้ตรงนี้มันตระสงไว้อือครับผมผมว่าเลยมีความรนะูสึว่าก็ดีนะจะได้สวดนะนะครับโอเคก็มุทนาสาธุด้วยอ่าจะไ ป, ไปต้นโตออยังไม่ได้ให้แชร์ลุมนะวันนี้นะยังได้สอบอารมณ์ก่อนถ้าแชร์ลุมนี่คุณยาวแน่เลยวันนี้อะอ <laughs> ที่ที่จะถามหลวงพ่อเมื่อกี้คุณจะถามอะไหลวงพ่อไม่มีเวลาให้นะออ๋อเอาราถึงน่ามาถาม น, นี่มัเป็นประเด็นแล้วคลวงอคือว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ที่ไปกีบารุงเนี่ยฮะก็ก็ดีในช่วงเช้าทีนี้ว่าพอมันเริ่มได้ลมเนี่ยเริ่มในภาวะที่แบ บ, แบบสบายๆของหลวงโลกเนี่ยนะครับทีนี้มามันก็เห็นแบบว่าเหมือน โอมันเป็นความความคิดแหละครับแต่ว่ามันเป็นเหมือนลักษณะของคาว่าวิตก ว, วิจารที่ที่เราพิจารณาในทำอยู่แล้วแล้วเรามีสติขึ้นมาว่ า, ามันก็เป็นความคิดหนึ่งนะฮะทีนี้ว่าผมก็รู้สึก เ, เป็นกังวลมากนะครับจนจนสติแตกไปเลยก็ <c oughs> <c oughs> คือว่ า, อ, าอย่างที่ได้ได้รายงานอารมณ์หลวงพ่อไปเมื่อเช้าลูกน่าพิจารณาว่า แล้วเบอกว่าเออพยายามถ้ามีอะไรเกิดขึ้นให้พยายามนึกถึงอารมณ์นั้นนะฮะอีนี้ว่าพอเนื้อถึงไปนี่มันมันชัดอยู่แค่ไม่กี่ยางแต่ทีสิ่งที่ลูก ร, รายงานไปเกี่ยวกับการมองเห็นอะไรอะในวินาทีนั้นที่มันเห็นทุกอย่างเป็นรูปเป็นนามไปหมดเลยนะครับกับความรู้สึกที่เราเหมือนว่าเราอิสระเนี่ย รู้สึกว่าผมคิดว่ามันจะเป็นพิบัสิณูกิเลสหรือเปล่านะมันจะเป็นความคิดที่คิดแทกเข้ามาไวมากในขณะที่ผมปีติอยู่เนี่ยจนผมคิดว่านั่นคือใช่แล้วหรือเปล่านะแต่สิ่งที่ชัดคือมีเพียงตัวสติที่มันเหมือนไม้ไท่สันนะครับที่ผมบอกที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วแล้วไอ้ความคิดนี้มันมันออกไปเหมือนโดนต่อยไปเหมือนนักมวยบ้านนอกเลยนะแล้วก็ที่ชัดคือความรู้สึกตัวเนี่ยมัน ชัดมากเลยไอความเหนื่อยน้องนั้นก็ชัดไปด้วยแล้วชัดจนจนรู้สึกว่าเห็นด้วตัวว่าความรู้สึกชัดแล้วก็มีตัวหนึ่งที่มันมันรู้อยู่นะแต่พอพอพอหลังจากนั้นเนี่ยแค่แวัดเดียวเท่านั้นที่พอเอเจ้าแม่ใจ ส, สันเลื้อนังสติเนี่ยมันมันโหดลงเนี่ยมันก็เปลี่นแลเอ๊ะมันอะไรตรงเอตรงนี้เราเราเหมือนเราสรุปตัวเองแล้วว่าเนี่ยตรงนี้มันไม่ใช่เรานี่ยอะไรอย่างเงี้ยฮะ ลูกก็เลยว่าหรือจริงๆแล้วหลังจากที่กำลังสติมันอ่อตรงนี้เท่านั้นเราโดนความคิดมันครอบหมดเลยทั้งเาคือคือตรงนี้คือตรงนี้นะหลวงพอ่อแล้วก็หลังจากนั้นเขาพยายามควบคุมสติเดินยังกมอะไรต่อไป ก, ก็ก็รู้สึกแบบถ้าถ้ามนเป็นวิปัสสุกิเลสนี้ลูกก็ เออจะขออาสิหลวงพ่อนะครับเพราะตอนนั้นไม่ได้ตั้งใจจะโกหกเรื่องอะไรนะครแต่ความมั่นใจเรามีเต็มร้อยเลยนะว่ามันใช้แน่แน่พิจารณาเอาครับว่าท่านนี้ทก็อยากจะถามดูนี้ว่ามันพ้นเน้นอยู่เสมอในการให้เฝ้าดูความเปลี่ยนแปลงของเวทนาระดับต่างๆนี่นะได้เฝ้าดูในเรื่องเหล่านี้บ้างหรือเปล่าเอ่าครับครับแล้วเราเป็นไงเห็นผลชัดเมั้งก็ ส่วนใหญ่เนี่ยเวทนาในระดับอ่อนๆกับกลางๆเนี่ยมีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแต่ในะเวลานาแรงๆเนี่ยจะจะเห็นแล้วก็ก็ตอนจะเปลี่ยนเนี่ยมีสติหยุดไปนิดหนึง่งดูไปก่อนดูไปจนดับจนถึงขั้นหนึ่งีมันแรงขึ้นจนไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆเหยียดขาออกแล้วดูอาการที่มันลดลงเรื่อๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนหายไปตอนที่หายไปเนี่ยผมก็พิจารณาดูว่า มันไปไหนแล้วพยายามที่จะดูดูมันอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆจนบางครั้งหรือแม้กระทั้งแสบตาที่เวลาลมมันแรงนะครับมันมากระทบดวงตาแรกเราไม่ก็พิสตาไม่รู้หรอกสักพักมันมันจะรู้มันก็รู้ของมันเองนะว่าอ้าลมมันกระทบเลยมันแห้งแสบก็ต้องกระพริบเงี้ยบางทีพี่มันก็หายไปแล้วทำไมแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะเห็นชัดๆก็ เป็นเวทนาของขาหรือหลังที่มันปวดปวดนะครับเวทนาจิตเนี่ยมันเกิดร่วงเป็นย่างไรหรือมันอ่าสัมพันธ์กันอยังไงอ่าตามเท่าที่เห็นเนี่ยคือว่าวเมื่อเวทนาที่มันเริ่มเกิดเนี่ยพอพราะตอนที่เรารู้โดยสัญญัตญานเนี่ยพอรู้ปั๊กเนี่ยจิตมันจะเกิดความกระวนกระวายทันทีเลยครับที่จะแก้ไขตรงนั้นอนะ โดยที่แบบอากุธกุดๆออกไปเลยเงี้ยคือมันหนีทุกข์อะแต่แต่พอพอมามีสติตรงนี้เนี้ยผมเห็นแล้วล่ะครับว่าคือมันอยู่ที่ระดับตอนเนี้เหมือนบอกว่าระดับอยู่ที่ระดับความแรงของเวทนาว่าว่ามันจะแรงมากแค่ไหนตอนเนี้ถ้าอยู่ในระดับกลางเนี่ยผมจะไม่ไม่ค่อยกระสับกระสายเท่าไหร่แต่พอมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนี่เอาแล้วหน้าเริ่มคิ้วขมวดมาแล้วะ จนสุดท้ายก็ใจมันไม่ไหวฮะที่มันก็ออกอะไรประมาณนี้ฮเห็นเห็นมากหรือบางครั้งหิวฮะตอนตอนมาตัะตักอาหารเนี่ยครับเห็นเลยว่าความหิวเนี่ยคือตอนที่เราเดินไปที่มันยังไม่หิวมากเนี่ยเราก็มีเวลาที่พิ่เจรนาว่าเออนี่อาหารมันเป็นเพียงเธรรมชาติที่เรากินเข้าไปเลย่ยาง้พยายามคิดนะแต่พอมันหิวขึ้นมาเนี่ยเราเห็นความกระวนกระวายที่เราจะไปตักไปหยิบเอาข้าวผีฮะ จนบางทีแทบจะแซงคนที่อยู่ด้านหน้าไปเลยนะแล้วเห็นความแบบความโลภฮะที่เราจะหยิบหมูเนี่ยเยอะยอะทั้งชิมหอ้ตัดข้าวเนี่ยนะฮะตัดข้าวมาสามทับผี <c oughs> แรือเล็กไข่เคยเห็นอยากได้มากเลยเพรหิวฮะขนมขนมที่หยิบเอาจะมาพอมาทานเนี่ยครับเข้าไปครึ่งชามเท่านั้นแหละครับเมื่อท้องมันเริ่มตึงเวทนาเริ่มอ่อนลงคิดในใจว่า ท้าไม่หมดมีอายหลวงพ่อหลวงพ่อหาแน่เลยก็เลยผห น, นะว่าโอ้มันพอมันหายหิวเนี่ยเรามีสติมารู้สึกว่าโอ้มันโลภใหเราอยากมากเหลือเกินและเห็นว่าความอยากหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นจากเวทนาของความปวดแสบร้อนที่กายมันบงังคับเนี่ยนะหลวงพ่อที่นี่ที่เห็นนะที่หลวงพ่เน้นว่าให้ศึกษาเรื่องเวทนาทางกายให้ชัดชัด เพื่อที่จะเห็นความเชื่อมต่อว่าเวทนาทางกายจะไปบงังคับให้เกิดเวทนาทางจิตได้ยังไงดังได้บอกตั้งแต่แรกว่าสุขเวทนาก็ให้เกิดอะไรนะเป็นเหตุให้เกิดอโลภะโลภะใช่ไหมครับแต่ในกรณะที่ความหิวเนี่ยเป็นสุขเวทนาหรือเป็นทุกขเวทนาทุกขเวทนาครับแต่มันก็ให้เกิดความอ โทรศัพท <t ops> <flavor> mm ์อ hmm. <t ops> <t ops> ันนี้เราไปหยิบอาหารเรียบร้อยไปโทรศัพท์หรือเป็นความโลภโลภโลภครับโลภใช่ไหมโลภะอันเห็นไหมก็ทุกเวทนาก็เกิดให้เกิดโลหะได้ไม่ใช่ว่าตายตัวนะตรงนี้ถึงบอกว่าให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างเวทนาหิวเราย่าไปคิดถึงเวทนาปวดอย่างเดียวนะหมายความทุกอย่างแสบหูแสบตาคันหูคันตาเราจะตอบสนองอะไรอย่างไรใน้กรทั่งหิว เนี่ยที่มันทําบังคับให้เกิดการเวทนาจิากตเพราะฉะนั้นเราจะดูความหิวแล้วดูความอยากในขณะที่มันเกิดมันพร้องๆกันนะความหิวก็เกิดความอยากได้อาหารโลคอยากได้อาหารก็เกิดสองตัวนี่ยเราจะดูอะไรก่อนอผมดูความหิวก่อน หมาว่าออกคนหมายถึว่าโลกกับความอยากนะครับคือผมไม่ไม่ในวันนั้นนะคุณดูไม่ทันสักสองอย่างเลยใช่ไหมออกคำครับคือคือว่าเพราะมันหิวครับพรมันหิวเราเราเห็นว่ามันเหมือนที่บางครับให้เราอยากที่จะเข้าไปเอาน่าให้เร็วที่สุดเลยอครับปัญหามันก็คือว่าที่เมื่อเวทนาแรงเนี่ยเราตามไม่ทันเพราะสติยังมนนไม่เข้มแข็งนะทําไมสติไม่เข้มแข็งเพราะว่า เมื่อกี้คุณบอกว่าเวทนาที่ละเอียดระ ด, ดับกลางเนี่ยไม่ค่อยได้ดูแต่ดูระับหยาบใช่ไหมครั บ, บเพราะฉะนั้นตรงนั้นเองคือสาเหตุเราขาดความแยบขายเมื่อความขาดความแยบขายความฉับไวและความหนักแน่นของสติตัวลดลงดับไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวทนาหิวเวทนาอะไรก็ตามที่มันกระแทกนอะไรปั๊บเนี่ยเมื่อความหนักแน่นความแยบขายไม่พอมันก็เลยไม่มีกําลัง มันก็ลืมไปเลยพระเยซนเองตัวดูเวทานาที่หยาบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอพระเสติมันไม่ลึกพอพอนั่งลงไปป๊อปเนี่ยมันเริ่มเห็นละเวทานาซึ่งพ่อเล่นอยู่แค่นี้ไปเลยปฏิบัตินะเพราะนั้นผู้ที่ปฏิบัติจนชํานาญแล้วเนี่ยไม่ต้องไปนั่งยุมือสัางจังหวะอะไรเนี่ยแค่ดูเวทานามันเหลือเฟือเลยตัวเย็บขายที่มันจะเกิดเพราะเวทนาหมนเกิดทุกระดับใช่ไหมไอ้ขึ้นไหวต่างๆมันยียว่าหยาบใช่ไหม แต่ตัวเวทนาที่เกิดกับแห่งกับขากับหน้ากับตากับอะไรต้องรอเวลาเนี่ยซึ่งตัวเนี้ยถ้าหากว่าเรามีความแยบคายแล้วตามต่อเย่าต่อเนื่องนะหูสติปัญญาเกิดมหาสาลเลยแต่ว่าพ่อพยายามเน้นเห็นก่อนสักกาดะน้อยคนมากที่จะตามตัวนี้เนะี่ยพราะเห็นอันนี้นส่งเพรานั้นระดับคุณเนี่ยอ่ลอยู่นี่นะโอเคท่านต่อไปลาทุครับ กราบเรียนสุการต้านการและก็ชาวานะสองทุกท่านทุกรูกและก็เพื่อนผอู้ปิ ด, ดติมทุกท่านด้วยครับก็บผมเนี่ยจะดีเราจะเรื่องเสบบา ร, รุมยังไม่ใช่แรยงานอารมณ์นะเพราะว่าแรงงานไม่่งนีก็จะถาบัณฑิมาก็ทางแต่วันแรกก็มีปัญหาก็ พยายามจำเอาไว้ว่าปัญหาอาจจะคิดว่าผมง่วงจากคนามได้ของง่วงว่าเออง่วงตัวอากขายอะไรทําไมกังวลประมาวันนี้ปพะมาวันนี้ก็ตั้งแต่อตอนเช้าก็ไปเดินก็เดิน อ, อครั้งแรกก็ อ, อได้จากหลวงพ่อบอกว่าให้ ให้มีความรู้สึกตัวก่อนให้มีความรู้สึกตัวแล้วก็เมื่อมันเมื่อ ม, มันมีอาการที่ที่จะไหลไปที่ว่าอาการที่มันที่คิดก็ให้รู้ว่าคิดตอนนั้นก็คุ้นขึ้นมาก็ก็อยากข้าไปอยู่ในความคิดตรงนั้นค่อยออกมาได้วก่กอนโดยการขยับขยับขยั บ, ยบก็ปรากฏว่าพอพอขยับไปขยับมาแล้วก็ละเดินมันก็ พ ก, ก็เห็นอาการที่มันที่มันคิดมันก็หายไปพอว่าหายไปก็เดินก็ปรากฏว่าเดินได้ทั้งสามชั่วโมงโดยที่ไม่รู้สึกอาการว่ามันง่วงเลยทีนี้พอตตอนตอนเย็นก็คิดว่ า, าเอาอาการอย่างนี้หละไปนล่าดูเดี๋ยวกําลังพูดถึง เ, เหตุการณ์วันนี้หรือเ่าครับวันนี้นะครับวันนีพ้พอพอว่าตอนเย็นออไปนั่งดู ก็ใช้อาการเดียวกันกับทําอย่างเรียอ ก, กับตอนเช้าพัาที่สามชั่วโมงนั้นเดินได้ทั้งสามชั่วโมงพอตอนเย็นสี่ชั่วโมงก็เริ่มตั้งแต่ตีสิบสองก็ไปถึงที่สีสี่ชั่วโมงก็นั่งที่นั่งอยู่ที่เดียวไม่ลุกขึ้นแต่ก็ขยับกายบ้างเมื่อรู้สึกเวทนาก็ขยับกายแต่รู้ว่าเออขยับกายแต่ก็ไม่ง่วงก็นั่งได้ตลอดทั้งสี่ชั่วโมง กับไม่ว่างมันรู้สึกว่ามันไม่ง่วงมันเบาเบารู้สึกอาการมันก็ไหลไปเรื่อยเหมือนกันก็ถ้าสมมติว่าเอตอนนี้เพื่อจิตมันมันรู้ว่ามันทําอะไรอยู่ตอนนี้ก็มันไม่ง่วงครับมันช่วงนึ่งยาวๆนั่นคิดตุนแต่งอะไรคือถ้ามันตอนนั้นอดูที่อาจารที่ที่มันดูอย่างนี้ถ้าสมมุติว่า ผมรู้ว่าถ้าเข้าไปอยู่ในอาการของความนึกคิดอย่างเล่นคิดเรื่องอะไรก็ตามถ้ามีการปรุงแต่งแตกเรื่องเดียวอาการจิตของมันเนี่ยมันก็จะเกิดอาการง่วงทีนี้ก็ไม่ข้ามาอยู่ในใ น, ในจิต ต, ตรงนั้นก็ข้ามาอยู่ในอาการของการขยับแล้วก็รู้ว่าตัวที่ว่าขยับอยู่รู้ตัวที่ขยับอยู่แนจิตมันก็จะไม่ซึมเท่าท่าเมื่อไรถ้ามันคึมแสดงว่า ตอนนั้นเราไปคิดถึงเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันจะกล้ามาในจิตของเราอก็เป็นข้อสังเกตที่ดีมากว่าอาการง่วงเอาห้อนอนเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดมันจะต้องมีความคิดเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนครับอืมก็เป็นข้อสังเกตที่ละเอียด น, นะแต่จังโุติแล้วนี่คนที่จะง่วงได้มันต้องเพลินเพลินอะไรเพินในอรารมณ์ใดหนึ่งนะแต่ว่าอาจจะเพลินในความคิดเพลินก็ได้มันเข้าไปสู่ความง่วงครับอ่าตรงนี้เป็นข้อสังเกตที่ที่ดี แต่ว่าในช่วงที่นั่งยาวๆเนี่ยเราคิดคุณแต่งมาเนี่ยเห็นไหมมาเริ่มต้นอย่างไรตั้งอีูอะไรได้ันหายไงไงก็ได้สังเกตเห็นขั้นตอนเหล่านี้ไหมครับในในความคิดนี่นะครับเห็นบ่อยไหมคือถ้าเอ่อตอนที่นั่งอยู่ถ้าขยับเนี่ยถ้าสมมติว่าตอนขยับอยู่นี่ก็ เ, เห็นที่ขยับถูกนี้จิตก็มันจะชื่นบานถ้าสมมติว่า ความคิดที่เราคิดอะไรก็ตามถ้าเราเกิดข้าไปคิดอยู่และค้ามอยู่ในความคิดนั้นอาการมันจะไหลมันจะซึมทันทีแล้วอาการนั้นมันจะคือนั่นแหละอาการของมันเริ่มจะง่วงแล้วมันจะง่วงมันจะง้อคือเป็นอย่างนี้ทุกครั้งหรือเปล่าถ้าถ้าคิดอย่างนั้นมันจะเป็นทุกครั้งครับอ๋อฉนั้นเวลาเรานั่งปฏิบัติก็ต้องระวังที่ความคิดต้องระวังที่ความง่วง เป็นเรื่องแปลกนะบางคนที่เขาคิดแล้วมันไม่ง่วงเลยมันตื่นตัวเลยความคิดนั่นคิดนี่ไปเรื่อมันเลยตื่นตัวแต่บางคนทีพ่พอเราคิดแล้วเข้าสูง่วงเลยอันนี้เป็นสิ่งพิเศษเนี่ยมาว่านแต่มันล่วงนะครับแ อ, อ่วอนตี <c oughs> นี้ิ่งเพิ่งไหนคิดแล้วมันหลับไม่ลงแล้วง่วงไม่ลงเลยไปตะเลดเปิดเบื้งแต่ น, นี่คนที่ไม่คิดถึงยังง่วงแต่คนคิดแล้ว ง, ง่วงมันเออมีสู่มใหม่ได้ก็ต่อไปดูตรงนี้ให้ละเอียดนี่นะ เวลาเราปฏิบัติแล้วต้องต้องดูรายละเอียดแต่ว่าเครแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันแต่ตองคุณนี่มาแปลกนะหนึ่งก็จะอยู่ทย่ใช้หนาดูมันมันเป็นสื่อที่ใช้ได้ด้วยโอเคมรณา้อไปอาจารย์หมอทวบนเปอไงบ้างวันนี้เมื่อวานเห็นว่าง่วงอยู่วันนี้เป็นไงบ้างอาการทั่วไปครับวันนี้แก้ได้นะแต่เมื่อวานแย่เพราะฉะเมื่อวานนี่โดนทั้งเช้าทั้งบ่าย แล้วก็แต่วันนี้พอรู้พอคือใช้วิธีว่าพอเริ่มจะจะเพลินนะยก ม, มือสร้างยังหวานเดียวกับพอจะเพลินลุกผึ่งเลยออกมาเลยออกมาแล้วามาเดินมามาเดินอยู่ที่เนี่ยตีนเขานะคือถ้าผมถ้าผมออกมาแล้วยังมาเดินอยู่ยแถวแถวใกล้ๆลมันก็ออยังมันไม่หายต้องเดินไปไกลๆเลยนะแล้วก็ไม่กําหนดคือกําหนด กำหนดเบาๆอ่ะแต่ตาต้องดูไปให้ทั่วอะไรเงี้ยมต้องต้องแก้ด้วทีนั้นหรือแล้วก็อีกวิธีหนึ่งก็คือหาเรื่องคิดหาเรื่องหนักๆคิดแต่พอดีมามารอบนี้มันไม่มีอะไรค้างคาในใจมันมันเป็นเรื่องทั่วๆไปเล็ก ๆ, ๆน้อยๆมันก็ไม่ตื่นมันไม่ได้ผลพยายามหาเรื่องคิดมันก็ไม่ไม่ตื่นก็เลยต้องไปเดินเดินไปไกลๆไปรอบวัดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดีขึ้นแล้ววันนี้ ได้ลมตั้งแต่ตอนทําวัดเช้าเสร็จก็เอที่หลวงพ่ อ, อเทศตอนเช้าเนะี่ยก็ก็ยกมือแล้วก็ฟังไปก็ได้ลมจิตมันจะว่างแล้วมันลง่งมันโลง่งมันเบาพอได้ลมแล้วทีนี้คือผมเวลามาปฏิบัติเนี่ยมักจะมักจะเป็นอย่างเงี้ยพอสามวันผ่านไป แ, แล้วมันจะมีอาการปีติมีสุขอย่างอย่างเงี้ยใจ มันที่ใจเลยนะแต่มันไม่ใช่ลุ่งแบบเหมือนคนอื่นที่ว่ายกมือแล้วเบาลราผมไม่เป็นมันจะเป็นที่ใจเลยคือใจมันจะรุ่งแล้วก็เบาอยู่ทีนี้เมื่อเช้ามันไดอารมอย่างนี้เสร็จพอรับอาหารเช้าเสร็จผมก็รีบเพื่อที่จะไปทำํำไออารมณ์นี้ให้มันชัด <c oughs> คือไปไปภาวนาไปเล่งนะทีนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าไอการทําอย่างงี้เนี่ยนะมันคือคือฟังจากเมื่อเช้าเราสวด อริยสัตว์เนี้ยในแนนมันจะพูดถึงชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่เนี่ยผมดูแล้วมันเป็นอารมณ์ชั้นนะชั้นชัชั้นสองที่ว่ามันมีปิติมีสุขทีนี้ผมก็เลยไม่แน่ใจว่าไอการที่เราคิดว่าเราจะไปทําไปตรงนี้ให้ชัดให้มันให้มันสุขให้มันเนี่ยอะไรเงี้ยไม่รู้เป็นอาการของคนติดชนันหรือเปล่าเราหงอะเป็นอย่างนี้ตลอดเอ๋อสมมุติว่าเราจะเดินทางไกลเนี่ย เราเอาแผนที่มากลางนะเอาแผนที่มากลางดูการเดินตามแผนที่กับของจริงเนี่ยมันเหมือนกันหรือต่างกันต่างกันนะใคจะบอกได้ไหมว่าต่างกันยังไงตามแผนที่ค่ะเดินตามจริงฮะเดินตามจริงมันก็จะอาจจะไม่ตรงตามแผนที่คือคือคืออาจจะ อ่าอาจจะมีอะไรละลักษณะที่มันมันต่างกันคือความจริงกับเหมือนความจริงกับความฝันอะไรอย่างนั้นคือกำลังจะบอกว่าการที่เราจะไปเดินตามอารมณ์ที่เราฟังจากตัวปริยัตินน ะ, ะมันก็เหมือนที่เราคิดไปเดินทางตามแผนที่นั่นแหละ แต่ว่าการเราปรเผชิญกับของจริงในขณะนี้เนี่ยสมมติเราทําไปเราไม่ต้องคิดถึงเรื่องสมัยพระพุทธเจ้าท่านเข้าฌานหรือคนเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องฌานหรอกนะครับแต่ที่นี้เราเอามาบัญญัติขึ้นมามันก็เลย ม, มาเป็นความจําความเปรียบเทียบซึ่งบัญญัติขึ้นตามอาการทีหลังสมมุติว่าถ้าเราปฏิบัติไปเนี่ยเคิดว่าจะเข้าฌานมันจะเข้าไม่ได้ครับแต่เราทําไปตามระดับขั้นตอนการสังเกตท่า น, นสังเกตที่มันจะเป็น อะไรเกิดขึ้นก็สังเกตมันไปเรื่อยๆ อ, อาการกายเกิดขึ้นก็สังเกตอาการอันนี้สัของจริงแต่เราไม่ได้ตั้งธงมาว่าเราจะเข้าชานนะแต่เราตั้งธงว่าเราจะตามดูของจริงที่ปรากฏเนี่ยอะไรปรากฏไปหรือที่ไม่ต้องนึกถึงบัญญัติหรือไม่ได้นึกถึงปริยัติอน่ยเวลามันมีเวทนาตรงนั้นแก้ขไขไปลักษณะ น, นี้เป็นตามของจริงแต่ถ้าเราเคยไปตั้งธงไว้ว่าเออถ้าบอกว่ามันจะต้องทําวิตรวิจารณ์ในหายไป เราพยายามที่จะแก้ไขวิถีวิจารณ์บางทีการที่เราไปแก้ไขวิถีเราเกิดวิถีวิจารณ์ขึ้นมาเองโดยที่เราไม่รู้มันเป็นวิถีวิจารณ์ตัวนี้คือคือการดุจแต่ในที่มันจะสร้างภาพซ้อนภาพขึ้นมามันจะเปิดไปไม่ได้เลยแล้วก็อีกอันหนึ่งที่หมอบอกว่าไม่อี่บอกว่าฮามเวลามันเพลินเพลินแล้วมันจะง่วงเขงาบอกเพลินไหนมันเพลินในอะไรคือคอืพอยกไปลงมาเนี่ยมันจะเริ่ม มันเพลินในในการยกในการเดินไม่อันนี้เป็นทียอาการใช่ไหมเพลินเพลินในการทําแต่มาถึงอาการของจิตที่ถามอาการของจิตมันเป็นอย่างไรว่าเพลินมนจะเริ่มมันจะเริ่มมบลอเบลอหรือมันจะวูบวูบเข้ามาเนี่ยมันเหมือนจะทํำท่าเหมือนจะมันแวบมาไหมมันเราจะรู้ว่ามันจะโม่งอ่ะไรนี้ก็เลเพลินในความสงบแ้วเพลินในความสุขน่าจะเพลินในความสงบมากก่อนเพราะว่าช่วงนั้นมันจะ ความคิดอะไรมันจะไม่ค่อยมีมาลบ ก, กวนแล้วก็จะเดินแบบดึงได้ลงวัดได้ลงครับตรงนี้เขาเรียกเพลินในเวทนาเพลินในสุขเวทนาครับเพราะฉะ น, นั้นนี่คือสาเหตุของความงพรอเราเพลินในเวทนาเราไม่ได้สังเกตเวทนาเพราะฉะนั้นเรไล่ไปไล่มาี่ไอ้ตัวเวทนาเนี่ยเป็นเหตุสําคัญหลายๆเรื่องแต่เรื่องจากลักษณะของเวทนาบางอย่างมันละเอียดครันะที่คขอี้ำให้ไปศึกษาต่อเรื่องนี้เลยเรื่องเรื่องเวทนานี่นะครับ ซึ่งในในการแก้บางตัวสมมุติว่าเรานั่งก็ง่วงเราเดินกับพี่มันก็ง่วงใช่ไหมหมอบอกว่าพี่ออกจากที่ไปเลยทีนี้พอออกจากที่ไปมันไปิดาลงใหม่ใช่ไหมลักษณะ น, นี้เป็นการหนีปัญหาหรือเปล่า เออตรงนี้ต้อพิจารณาให้ดีนะั้นถ้าเกิดได้อารมณ์ใหม่นี่มันไม่เป็นเรื่องง่วงเราเป็นเรื่องใหง <c oughs> ม่ก็แล้วอาจจะเป็เรื่องไปเห็นตรงแต่งเป็นเรื่องอื่นมันก็จะออกไปจากอารมณ์ตัวนั้นเลยแต่ถ้าสมมุติว่าเอาละมันง่วงตัวนี้ก็ฉันจะวนสู้ตัวนี้ยฉันจะสู้แบบไหนแต่อยู่ในวงสนามเนี่ยในสนามที่ต่อสู้เนี่ยะแต่ว่าสนามตรงนี้มันแคบไปไหนฉะันลงเวทีนี่ไปหาสนามใหม่เนี่ยมันไม่มีคู่ต่อสู้แล้วนะตอนนั้นนะเพราะมันโดดลงเวทีแล้ว แต่ iner, der, der, player, ีนน er, uh ี huh. der, ้คือความเป็นจริงด้วยเพราะฉะนั้นตอนนั้นโดดเพราะฉะนั้นคุยกันอยู่ตรงนั้นแหะหมายความว่าเขาคู่ในวงนอสู้กันอยู่ตรงนั้นคืออย่างเมื่อวานเนี่ยผมซักผ้าอาบน้ำทำโยคะคือทุกอย่างเลยเพราะคือมันแบบไม่รู้จะทำยังไงแล้วเนี่ยอยังยังนกคาเก้าอี้เลยนะมันน่าโม้ต่อขนาดทาทุกอย่างอ่ะมันอยู่ในวงนะผมผมก็เลยได้เคลียมัน มันอยู่อย่างนี้มันไม่ได้มันต้องออกไมานอกแล้วตามเงี้จะไม่ให้มันง่วงก <c oughs> ็เลยวันนี้เลยออกมาเดิน <c oughs> ทีนี้หลวงพ่อผมสงสัยอย่างก็คืออารมณ์อารมณ์ของคนปฏิบัติเนี่ยการที่หลวงพ่อเทียนบอกว่ารู้ซื่อเนี่ยอารมณ์รู้ซื่อแต่อารมณ์ของของฌานสี่เนี่ยที่มันมันก็ซื่อเหมือนกันคือเงียบนิ่งซื่อ แรามันไม่ปรุงแต่งอะไรจนจิตมันว่างเนะี่ยผมไม่ทราบว่ามันเป็นตัวเดียวกับทีู่้ซื่ออะไรนี่เปล่าเออแต่นี้เป็นข้อสังเกตที่ดีมากคำว่ารู้ซื่อเนี่ยเป็นชื่อของฌานที่สี่เลยนะ เ, ออเพราะอะไรรู้เป็นสติซื่อไปอยู่เปกขารู้ซื่อก็คือสติและเปกขาบวกกัน เพิ่งเปิดเผยความรับวันนี้นี่แค่เนีอยของของผมที่ผมเล่าไปวันนั้นนะผมมีอาการอย่างนั้นนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเหมือนกับที่หลวงพ่อเทียนบอกรู้ซื่อหรือเปล่าเนี่ยผมเองแต่ว่ารู้ซื่อๆในที่นั้นต้องมีคํากํากับว่าละความพอใจและไม่พอใจด้วยได้ด้วยครับแต่ถ้าหากว่ารู้ซื่อ แต่ยังมีความพอใจเรื่องไม่พอใจอยู่ลึกๆน ะ, อ, ะอันนั้นก็ยังไม่เป็นฌานสีเพราะนั้นรู้ซื้อๆเป็นตัวฌานสีก็ยิงแต่ว่าท่านบอกว่าละความพอใจไม่พอใจทั้งที่เป็นที่ผ่านมาในการก่อนในใ น, ในภาษาใ น, ใ น, ในคำาจบปวดความน ะ, ะ, ะว่าละความพอใจไม่พอใจที่เกิดขึ้นน่ะได้รู้ซื่ อ, อะละตัวนั้นได้ด้วยแล้วถึงจะเป็นฌานสี แต่ว่ารู้ชืซอมันมามันกินเวลาได้นานไหมถ้ากินเวลานิดเดียวก็ไม่ใช่ชานอก็เป็นอารมณ์เฉยๆมันมันเป็นต้องกินเวลาเป็นเดือนอเหรอหลอมันอยู่ได้เป็นเป็นเดือนไดโอ้เป็นเดือนไม่ใช่แค่ชั่วโม ง, งนี่ก็ยากแล้วนะคือคือพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยผมมองมาว่าเอ๊ะมันยังอยู่ไหมใน ค, ความที่จิตเรานิ่งๆอะไรเงี้ยนะมันก็อยู่นะหลวงพ่อนะครับแต่ว่าแต่ว่าผมที่ผมบอกว่า ผมก็อยากจะรู้ว่าไอ้ความที่จิตมันนิ่งแล้วมันไม่ปรุงแต่งมันซื่อแ่ะจนจนนานเข้านานเข้าอ่ะมันเกิดความว่างจนถึงขนาดว่ามันมันโลกงไมเหมือนว่างไปหมดเลยอื <Ừ. S 2> มันวริรงหมดเลยวรือเป่าแต่หมายควา ม, มว่ามันเป็นหมายควาคว่าเป็นมาหลายปีแล้วเพิ่งมาเป็นที่ที่ว่าเนี่ยอาการเนี้ย่ยตอนที่ผมปฏิบัติตอนตอนที่ออกจากไม่เกินไปอ๋อตั้งยี่สิบกว่าปีแล้ยี่สิบกว่าปีนะเอออันนี้แล้อาการนี้มันเป็นอย่างนั้นเราถึงขนาดว่ามันมีความมั่น มันมันมีสมาธิมากแล้วมันมั่นใจอ่ะแล้วมันไม่ไม่กลัวอะไรขนาดพักเครื่องเนีย่ยเมื่อก่อนผมไปไหนผมจะอ้อมพักเครื่องของอ้อมพัเครื่องไปให้เขาหมดเลยในตัวนี้ประเด็นมันไม่ใช่หละเราจะสอบวโรค น, น, นี้เดี๋ยว น, นี้ประเด็นไม่ใช่ครับเพราะ <c oughs> ฉะนั้นในตัวนี้ให้แก้เฉพาะที่มันเกิดขึ้นแต่ละขณะครับแล้วก็ก ตัวชาญเองก็เป็นลักษณะอยู่ในตรายรักอานิจังทุกอำนาจตามันจะทรงอยู่ไม่ได้นานนะแต่เนื่องจากการเข้าไปรู้การมีอยู่แล้วไม่มีอยู่ของมันนั้นได้เร็วหรือช้าเท่านั้นเองไอาการเที่ยวไปรู้ได้เร็วถึงเพราวะว่าที่ารเกิดของมัน น, นนะ พอตัวรู้ก็เป็นตัวที่เป็นนิจยังทุกขังหน้าตาตัวซื่อๆก็เป็นอนิจยังทุกขังหน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าจะให้ตัวรู้ซื่อๆดำรงอยู่อย่างมันจะต้องทําให้เป็นปรามัดคือหมายความอยู่เหนืออนันจังทุกขังหน้าตาลักษณะนี้ต้องไปดูรายละเอียดนะโอเค okay. ท่านต่อไปเพอใหญ่กลมว่าไงครับข้อการคารวะ หลวงพ่อแล้วก็ไตยันคงศ์แก็พระคุะาาณเจ้าในวัดทุกลูกเราจะพร้อมด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ไม่ใช่ของนยยุญาตพูดนะกำลังสอบประลองนะอันนี้ก็จะมีปัญหาอย่างหูแล้วไมดีตากรมคนพูดไม่เองไม่เดี๋ยวตั้หลวงพ่อกันว่าขณะนี้ที่ที่ฟังแต่ที่ปฏิบัติมานี่มาเที่ยวนี้ได้กี่วันแล้วนี่ ไอ้หกวันนีกวันวันนี้เป็นยังไงความคิดคือเจ้เถืเ่อแล้วครับวันนี้ก็ต่อสู้แบบนึกว่าชนะมันชนะมันชนะะลรชนะไอ้ตัวที่มันง่วงเมาหานอนแล้วก็เรีาเรานานนี่แหละเอาตัวขยันเข้าสู้เลย เป็นลืมจะไม่กินข้าวเที่ยงวถึง่าลืมกินข้าวเลยเอาถึงขนาดนั้แล้วแล้วติบ่ายเป็นยเตบ่ายเป็นยังพับายว็สบายสบายครับไม่รีบเอาน้ำนะจิตเบาสบายโล่งปร่งใสจะไดอารมณ์ว่างันเถอะวันนี้ไดอารมณ์ว่างันเถอะ ได้อารมณญีทุกวันไม่รู้อเฉพาะวันนี้ครับวนันนี้เลีด้วยนะก็ใสวันนี้ก็สบายจนลืมไม่อยากข้าวบเลกตัดขินใจมามีสตินึกถึงช่วงที่หลวงพ่อสั่งให้คนเราเข้าไปส่ง <laughs> วา่าจะไม่ได้กินข้าวลูกเลกนลูกย่างก็ สร้างสติการเชีย่นไหวในลูกทำรรนำทำเนี่ย ก, ก็สบายก็ดีนะไ ม, <c oughs> ไม่ไม่ไม่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยติดขัดด่าลงดีเอาความขยันเขาสู้เลยอมอบชีวิตให้มันเลยถ้า ไมัจะมาคืนทาแบบนี้เอาไปเลยสังขารสังหางนี่ออต้องหวงแล้วอ อ, อื ม, มันก็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่ะออไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยมีแต่ซื่อๆครับซืจอๆไม่ยังอพอเทียนว่าเนะี่ย<อ>ทุกทุกอย่างก็ผมเลยนึกว่าโชคดีที่เข้าทางมาถึงหลวงพอ่อมันถึงหลวงพ่อเนี่ย ผมขอกับโมทนาราซาทุกเพราะว่าส <si ิ่งทุกอย่างเป็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมต่อไปไปนู่นนะคุณพิเชษอยลังพิเชษเป็นไงบ้างวันนี้กับกับทศการหลวงพ่อพระอาจารย์และพาพิจิตสองสำเนทุกรูปตลอดจนเพื่อนญาติธรรมทั้งหลายในสารานครผมพิเชษครับผม เป็นีงบ้างวันนี้ปฏิบัติได้อารมณ์ดีไหมปฏิบัติตัวไงบ้างวันนี้แล้วผมกำลังคิดกับว่าได้อารมณ์นของพ่อไปเท่าไหร่ ม, <c oughs> <c oughs> มาถึงว่ารู้สึกเป็นยังไงวันนี้อารมณ์อยู่ง่วงไหมหรือว่าทุ่งซ่านไหมหรือว่าได้ติใจว่าโล่งโปร่งทั้งวันหรือ ย, อยังไงวันนี้เป็นหรือว่ามึนงทั้งวันหรือว่าง่วงทั้งวันวันนี้ก็ห<อ>มายถึงอารมณ์ผมเป็ ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีเรื่องพวนี้ทั้งแต่พอดีพอดีเข้ามาในบัดนี้ตั้งใจมาอา่าสะสมความรู้ส่วอย่างเดียวอือเลยครับเบตีลีกก็ก็จะไม่ได้ก็คือจะไม่ได้ความความเพลินหรือว่าไดอารมณ์อะไรแล้วครับก็ คือคือว่าไม่ได้ไม่ได้สนุกที่ทำล้วก็ไม่ได้เบื่อแต่ว่าเพียงว่ามีมีความศรัทธานในหลวงพ่อแล้วก็คือหลวงพ่อเคยพูดได้ว่ า, าเราทำให้ใบปัดนมันซ้ำซากให้มันถี่มากพอจนรอบมันถึงแล้วมันจะถึงแค่เกิดผลนะผม ก, ก็ทุกทุกวันก็พยายามเก็บแปม สะสมความลดตัวต่อไปเลยไม่ไม่มีไม่ได้รู้สึกได้ล้มอะไรครับครับผมไม่ไม่ง่วงไม่พุ่งสร้างเลยนะไม่มา พ, พุ่งสร้างมาถึงแล้วก็มีความคิดกันไปเลื่อยแต่ว่าเรารู้วิธีจัด ก, การมันก็เลยไม่มีปัญหาอืครับผมจัดการได้อย่างนี้ทุกวันเลยครับ ศรัทธาตั้งมั่นแล้วทุกอย่างสําเร็จนะศรัทธาสาธุปฏิทีตตาศรัทธาตั้งมั่นแล้วสําเร็จได้ง่ายๆ mm hmm. ไม่ว่าเราจะความรู้สึกอย่างเดียวเก็บ แ, แต่ว่าเรียนนิ่งนึงว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดทั้งวันหลับไปว่าตัวว่าเราขยับสิบสี่สเต็ปเนี่ยบังทีมั น, ม, นมันก็ได้แค่ 2, สอสามสเต็ปบางทีทำไปตั้งวันสิบสี่สเต็เตปเป็นหรอ ทำไปห้ารอบอ่างนี้ก็ได้ักรอบหนึ่งแล้วก็หมั่นเก็บไปเรื่อยๆแล้วไม่แค่ห้าห้ารอบได้รอบนึงอีกสี่รอบมันเป็นอะไรไปอะมันก็ก็ก็ศัจจาว่าทํานะครับแต่ว่ามันไม่ได้อะไรขึ้นมาอ๋อเลยครับผมเออมันนั่นมันได้แล้วในศักแต่ ว, ว่าธรรมนะนะครับนั่นนะให้ทําศัจตาว่าธรรมมันมได้เต็มที่แล้วก็ผมก็พยายาม ท, ทําอนนี้แต่ผมอยากจะกลับเสร็จหลวงพ่อนิดนึงว่าพางีต้อง ตอนแรกที่เข้ามาที่นี่ครับวันแรกเลยที่หลวงพ่อได้ได้ได้ได้กล่าวไว้ว่าเอ่อเข้ามาแล้วก็ให้เอาข้อมูลความรู้ที่สะสมมาตลอดชีวิตเหมือนแบบขนไม้ขนลังคาอะไรมาสร้างบ้านเรือนพักนะคฮะตอนแรกผมก็ตั้งแต่ได้ยินปุ๊บผมก็มีกําลังใจว่าโอ้เราก็สะสม ข้อมูลมาตลอดชีวิตเยอะข่าวนี่แหละจะได้มาสร้างบ้านเลยทักทีพอถึงเวาลาจริงแล้วมันไม่ใช่บ้านเลยแล้วมันกลายเป็นเปลือกเผาคุ้มตัวผมแม่เข้าถึงกิจตั้งเด็ดแต่แล้วก็ <c oughs> <g ül> คือว่าพอเริ่มเป็นบ้าแล้วก็คือตัวตัวผมนี่ไปติดปัญหาที่สัญญาก็เลยในนิติได้วันก็จะเรียนว่าเมื่อวานนี้เป็นวันที่สําคัญอันหนึ่งคือว่าเมื่อวานนี้ฟังพระอาจารย์สมพงษ์เล่า เรื่องต่างๆเนี้เกิดเกิดแรงบันดาลใจวรามีความตั้งใจว่าเออการขยับมือสติแล้แบบแล้วก็การเดินจงกรมมันไม่พอซะแล้วเราลองดูพระอาจารย์หลวงพงศิตรุ่นพี่เป็นตัวอย่างแล้วก็คิดว่าพยายามจะเข้าไปถึงสักการนึงไปถึงจุดที่ว่าเราจะต้องมีสติรู้ตัวเท่าพอไม่ได้ในีใจตอนนั้นมีความคิดอย่างนี้เลยนะ พอลงไปขกัล่างปุ๊บตั้งใจว่าจะไปหยิบเสือ ว, วันนี้อ่ะอ่าอาจารย์หม อ, อคอมทิปบอกว่าให้ไปหยิบเสือเราก็รีบไปหยิบเสือพอดีเจอหลวงพ่อพักมาตรงนั้นว่าเมาื่อวานนี้ตอนเชา้าเพราะว่าผมพอลงพ่อทักปุ๊บเนี่ยพอหลวงพ่อหันกลับไปปุ๊บเนี่ย ผมเนี่ยหรือว่าก็คือหมดตนญหายรันสัญญาเลยฮะคือผมก็เกิดตระหนักขึ้นว่าภาษาอะไรกับไอ้ที่เคยอ่านเคยศึกษามาตลอดชีวิตเพียงแค่ยกเท้ากี่ครั้งไป ย, ยังไม่รู้เลยแล้วตั้งแต่นั้นมาผมก็ไม่หลุดจากสัญญาเลยครับครับผมแล้วก็มาวันนี้ผมก็ เห็นว่าเป็นวันสุดท้ายผมก็เลยไม่ไม่ได้เคียดมากก็คอยนับแต้งคือว่าผมก็ผมก็เล่นเล่นเกมขอผมตลอดวันว่าถ้าเกิบว่าเราเปลี่ยนนะยะบทก่อนที่เรารู้เราก็เสียแต้มผมก็นับแต้มไปเรื่ <laughs> อยๆแล้วก็แล้วก็ว่า เรามีทุกเวทนาที่จุดไหนเนี่ยเราดูมันปุ๊บแล้วเราบอกเาว่าเราจะเปลี่ยนไอ้บอทเพื่อขายทุกเวทนาตรว น, นี้นี่เรารู้ก่อนที่เปลี่ยนนี่เราถือว่าเราได้แฝงแล้วผมก็สะสมแต้งผมไปทั้งวันครับผมก็กลับเรียนตอนนี้อ้อมเล่นกันแบบเล่นแกมพนันเลยเรือไง มีเทคนิคต่งเทคนิคทพิเศษนะนั่นงพอต้องการให้คุณเลิกสัญญาเพราะเลยยึดสมุดบันทึกไว้เลยนะและไม่คืนเลยนะพราะคุณขยันบันทึกมากก็เก็บข้อมูลนะมันเป็นนักวิชาการนะนะเพราะนั้นก็เลยว่าจะคืนให้เมื่องานเสร็จนั่นแหละก็สัญญาตัวนี้ก็หลุดไปนะคำพูดที่บอกว่าเนี่ยสะสมข้อมูลมาตลอดเนี่ย ยังไม่รู้เลยแค่แค่ยกเท้าแค่นี้มันยังไม่รู้เลยนะพอในข้อมูลที่จะสมมาจะมีประโยชน์อะไรครับเป็นข้อมูลเป็นคําพูดนแน่นอนมากเลยนันน่นก็คือโระหว่างความจํากับความจริงเนี่ยมันคนละเรื่องเลยคเพราะงั้นการปฏิบัติแบบนี้จะไม่ใช้ความจําแต่เราจะใช้ความจรงิงทุกขณะที่เกิดขึ้นครุณประเด็นเช้ว่ารู้จํารู้จักเนี่ยใช้ไม่ได้แต่เอารู้แจ้งรู้จริงแต่ลงมือทำเนี่ยเป็นของรู้แจ้งรู้จริง แต่ข้ามู้ที่สังสมนี่เป็นความรู้จกแล้รู้จักแต่มันก็ดีระดับหนึ่ ง, งนะนะมันก็เป็น ค, ความแรงบดาลใจแต่รู้แจ้งรู้จรงิงของจรงิจรงที่เปิดที่ละขนาดเนี่ยคุณยกเท้าตอนไหนคุณก็รู้ตัว น, นั้นก็รู้จรแจ้งละครับใช่ไหมรู้สึกว่าเออขณะนี้นมันปวดแล้วเห็นด้วปวดเปไงหนักเบามันก็รู้ของจริงและจะรู้ไปเรื่อยๆเก็บแต้มตรงนี้ไปเรื่อยๆครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะ มันเป็นอัตโมัติของมันเองมันจะรู้เรื่องอตโมัติของมันเองครนะก็ขออนุญาตนาเพราะฉะนั้นวันนี้สรุปว่าผู้ชายทั้งหมดได้รายงานอารมณ์แล้ไม่ใช่สอบอารมณ์พรุ่งนี้แล้วผู้ชายไม่ต้องรายงานอารมณ์ยกยอดไปเลยเพราะเนเพราะฉะนั้นจะถือว่าวันนี้รายงานอารมณ์ไปเฉพาผู้ชายหมดแล้วผู้หญิงเล้วก็รายงานคุณโตโตว่าไงอันนี้แต่คุณโตโตคนเดียวมั้งพรุ่งนี้ที่ต้องรายงานอารมณ์ต่อมีข้อมูลเยอะเลยกันใช่ไหม เดียวนี <eg wo thi ven> ้หลวงพ่อไม่อนุญาตเรพกหมดเวลาเลยก็ขออนุทนาสาธุในความตั้งใจที่พวกเราได้ศึกษารวมกันพอมีช่วงท้ายก็มีโอกาสได้รบเลืองเอาข้อมูลมาพูดคุยกันเพื่อที่จะให้เห็นขั้นตอนของการปฏิบัติว่าเราเดินทางไปสวดลมปัจจุบันเนี่ยได้ถูกต้องไหมไหนไม่ถูกต้องก็จะปรับนะ อันไหนที่ถูกต้องแล้วเราก <c oughs> ็พยายามระมัดระวังรักษาให้อยู่ในกล้องในหลอของการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบันให้ชัดเจนจะขอให้ความตั้งใจนี้จะมี อ, ะอนุภาพมีกำลังที่จะรักษาตัวสติสัมปชัญญะของเราให้เข้มแข็งต่อไปด้วยกันทุกคนทุกท่านถือ